หนึ่งความจริงอันยิ่งใหญ่ที่จะเรียกกันว่าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ยิ่งล้ำยอดเลิศจริงๆคําว่าตรัสรู้นี้จึงเป็นคํายิ่งใหญ่อันมีที่มาที่ควรรู้ยิ่งว่ามาจากความยิ่งใหญ่อันใดทําไมต้องเรียกกันว่าตรัสรู้ ความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีในโลกเป็นโล ก, กุตรธรรมเป็นอเทวนิยมเป็นอาริยธรรมแสนวิเศษที่พระองค์ได้ทรงบรรลุเกิดภาวะแห่งสัจธรรมนั้นจริงและมีพระปัญญาที่คุณรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วสั่งสมมาในชาติก่อน ไม่ใช่เพิ่งเกิดพระปัญญาในตอนนั่งระลึกอดีตใต้ต้นโพคืนวันเพนเดือนหกนี้เลยพระองค์มีพระปัญญาที่คุณขั้นสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วสัมบูรณ์แล้วตอนนี้แค่อาศัยอดีตระลึกปรารภธรรมะเข้าไปดึงเอาพุทธธรรมเดิม ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วจริงขึ้นมารู้เท่านั้นหากรู้ขึ้นได้ในครานี้ก็ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นปัญญาแต่เป็นแค่เพียงสัญญากําหนดรู้ความเดิมในอดีตแท้จึงไม่ใช่ความรู้ที่เป็นปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงอันยิ่งใหญ่ การปฏิบัติธรรมทั้งหลายในชีวิตที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ได้เกิดพุทธธรรมใดๆเลยพระองค์เพียงค้นหาพุทธธรรมเก่าของพระองค์เองที่เคยมีมาแล้วก่อนชาตินี้ต่างหากธรรมะต่างๆที่เป็นพุทธธรรมพระองค์ได้บรรลุมาแล้วมีแล้วตอนนี้ก็เพียงทรงปรารบธรรมะในอดีตว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญธรรมะมาแล้วครบความเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ปางที่แปดเสร็จแล้วเต็มแล้วจริงหรือหรือปางอื่นๆบริบูรณ์ทวนรอบมาจริงอย่างไรเป็นเพียงอย่างตามหววความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าเป็นอย่างไรสำโบ์หรือย่างเมื่ อ, อยังไม่พบจึงอย่างไม่มีการตรัสรู้